เพร า, น, านั้สหรับวันนี้จะ็นวันแรกก็ขอเกรนเรื่องราวควารเป็นมาของคำทีกะถาวัตถุก่อนรนพฤติกรรทั้งเจ็ดประกรที่เราได้เห็นว่าตัดตัปะปัจจานั้นคำพีกะถาวัตถุเป็นคำทีที่ใหม่ที่สุดยิ่งกว่าหกประกรเพราะเห็ุว่าคำทีเรื่องนี้เกิดขึ้นจากผลงานของทัานโมโคคีบุตรสสเถระเจ้า ในสมัยทศวรรษที่สามหลังจพุทธปริพานธ์ไปแล้วแต่ว่าความเป็นมาหรือหลังกาที่ทำให้เกิดคำทีกรถาวัตถเรือ่องนี้ขึ้นก็เพราะเรื่องความแตกแยกในทางพัฒนาและปฏิปทาในคณะสงฆ์เท่ากันนั้นเป็นมูลและปัจจัยที่สำคัญอย่างนี้งโดยที่ว่ากเ็ น, เนีอยู่แล้วว่าเมือ่อพระพุท ธ, ธปรินิพานธ์ลงใหม่ใม่ ความเห็นของพระสสาวกได้เกิดแต่งแยกกันขึ้นในเวลาเนี้เราจะอ่านพบได้จากในบาหลีในญี่ปโ ด, ดนจิรวะได้กล่าวถึงความเห็นของพระสาวกรู้หนึ่งชื่อพระภูรานะไม่เห็นท้องตะการทำปสมปังขารยนาของาอาขงนันธ์มหาจัตวาหลือจ่าซึ่งได้รับส่วนพระอรหันต์การทำขึ้นณธรรมสัตวปัญญาูหาหลังจากที่พระสาวกดาบาริอ่านแล้วไม่กี่เดือน ถ้าเปรางแรกนีคั้าในการประดุมในครั้งนั้นว่าเฉลยด้วยแต่ข้อขัดแย้งที่เฉลยด้วยนั้นไม่ปรากฏในอาสถานฝ่ายบาลีของเราาไม่รากฏในอาักะสถานฝ่ายเนตกริกล่าว่าข้อสี่ขนแย้งนั้นเกี่ยวกับทิศขาบทบางประการในการถกเถียงของพระเป็นเรื่องการกินอาหารไร้ในปุตติการรอาหารที่ต่อที่จะมีกับพิจารรคทาให้ชวนอ่า หลายอย่างหลายข้อประการด้วยกันเกี่ยวกับการเผด็จฉันเป็นส่วนมากถาคุได้ร่าคาบัตรที่ข้าวกดหล่านี้ก็ยังมากกแค่ปจิตใจยังต่ก็เพียงผุกเพราะฉะนั้นความเห็นท่านุราะเห็นว่าที่ข้าวกดเกี่ยวกับการเผ็จฉันเหล่านี้นะแม้จะสาปนาเดรงมันหักห้ามไว้แต่ภายหลังก็ตรงมีพุทธอนุญาติให้สงกับพิารแต่ข้าพเจาจะตกลเห็นว่า ที่ต้องอนุญาตให้เป็นปรพิได้ก็เฉพาะถั่วในการเวลาเกิดข้าวยากมาแพร่ในเมืองเวตาลีเท่านั้นเเมื่อพ้นสมัยทุกขึกระเอแล้วก็ปรากาโดยประจึงแขงบันย so, so, um, so, so, ันพระวนเหล่านี้ขึ้นมาห้ามให้ระพฤต่อเพราะะนั้นเม่ัศนคความแข็งของพระเทวายหทั้งสองโขัดแย้งกันความร้าวอย่งสามชือก็เลนขึ้นปัญจาณะไดพัวนบรรดาปติีหารอันเตวาติออกไปทำทั้งขายาหมายติดตามาเลย ไม่เะยเที่ยกับท่านม า, ากับเสพกับสภาที่ทำใ น, ส, น, มในสมัยระชา น, า น, า, า, น า, านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องของนิกายชนะเสียงความเปี่ยนสมัยในสมัยพระายนายังไม่มีนิกายหรอกเป็นเพียงแต่ว่าการเห็นขัดแย้งในเรื่องที่ขึ้นกับในเรื่อง ความกระพริบคือว่าการทุ่ับผิกาจะแตกแยกจะกระพริก็เกินแบกแยกเท่ามือเด็ดสองข้อข้อหนึ่งคือความเตืองไปแห่งพิษศรัาอันยตาข้อสองคือความเตืองไปแห่งสิริศรัทธาอันยตาความเต็นเลยเสมอกันความประพริบจะเสมอกันที่าาเหนื่าานาาอยอา่าเพราะฉะนั้ น, น, นในสมัยเราร้อยปีหลังพุทธปริพานแล้ ว, วที่เกิดเึ้นกันว่าพระสิทธิพัาญนาปรารุเสือพิตราวัชือบุต ในข้อบนันดับติประการเกี่ยวกับทางวินัยติดที่ติดวัชิบุตเห็นว่าต้องควรจะกระตุ้าแต่คณะโง่ฝ่ า, ายพระยศเห็นว่าไม่ต้องควรข้อนี้ก็เลือกได้ว่าเป็น เป็นเรื่องที่คุกกลุนมาตั้งแต่ข้าวผสมมาตนาแล้วคือบรรดาภาษาคือความเห็ขัดแย้งกันในทางปฏิบัติทางกวีนัยได้ขัดแย้งกันแล้วคุณง่ายว่าฝ่ายหนึ่งต้องการเข้มฝ่ายหนึ่งต้องการย่อหย่นต้องการอันนี้เลยตามการละเหตุฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่มาจัดกัเสร็จไม่ต้องการที่จะให้หลัลวในการประพิษกวีลัยตามตาละเหตุผแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีข้ออ้างคืออ้างว่าทางการตัวตนนั้นติดต้องกับทุกพระเงฆ์ ยกตัวอย่างี้ยอ่าข้ออ้าตของฝ่ายคณะกับสภาคณะกับสภาได้ไปเหนือมอันนี้ต่อที่ปรจชุเถึงอะไรห้ารอยลูกไม่ม่ไม่ขานกัตถมันกัู่หาลูกคราวทำผสมสังนายนานข้าถามเจ้าว่ามีพุธานุญาตได้ในสมัยเกินดับขันพรินุานว่าด็กล่อนอันนในการที่เราเรื่องรับไปหาเจต้องการติขาบดเล็กน้อยแลอนุญาตให้อนด ท่านมาน้ากับระตาได้ถามโตว่าคำว่าข้าวบเล็กน้อยเนี่ยโตจะกํานดวางข่างแค่ไหนได้แต่ข้าบดอะไรเขาว่าเวลานั้นถ้าอันลนเห็นพระเจ้าเร่งถามพระตากระดาไปว่าข้าวบดเล็กน้อยสิ่งมีสุขทางวิญญาณไปขอได้นั่นอ่ะเกี่ยวกับข้าบดประเดทอะไรท่านอางว่าเวลานั้นท่านเกิดยามเศ้าเกิดีใจไม่มีแต่ใจจะถามเรื่องละเอียดเหล่านี้กับพระตากดาปรากฏว่าในที่ประชุง บางองค์เป็นเหลือบอกว่ายกเงนปรราชิตรีเสีที่เหลือที่ว่าพิฆาตหมดเ็กน้อยบางองค์เป็นเหลือบอกว่ายกเงินประราชิตรีทั้งคาพิเศษเสียที่เหลือชี่ว่าาหมดเล็กน้อยบางองค์ปเหลือว่ายเยเปรราชิตรีทั้งคาพิเศษและอันยกะปาจิตจเสียที่เหลือที่ว่าพิาหมดเ็กน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้ในฐานะประธานคะัก็ต้องกล่าวตัดบทคือให้เป็นเหลือกดไท่ากลางโงขึ้นมา พว่าขอธนาเป็นองค์ันเตยจังโกรขอเตยวังโกรเป็นฟรทีขาปวขอพวกเรานี่่ะเกี่ยวพันกับพวกคาริมาทเขาตรงนี้บรรดาคาริมาทเขาโว่าอ่าวางประพฤติอันนี้น่ะควรแต่สมณปัจะยบุตราประพฤติอันนี้น่ะเฮ้ควรแต่สมณะปัจยบุถ้าพวกเรามาพากันขอนขาปวดเทีที่องว่าเล็กน้อยมาพาดันอนเทียถ้าเช่นนั้นก็จะเป็นข้อคาราหแต่บรรดาคาริมาทเขาว่าโอ้พวกสมณะปัจจยบุตเนี่ย ประพฤติาบทเข่งครับก็ชั่วการทุกข์ไฟไปคือชั่วการศิษยาสนาลุกเป็นมีเด็คนดียวคนดียวเนี่ยเรือาพระบาทสนาตัวรู้ปแล้วก็พาไประพฤติตามใจชอบหาแต่กันทั้งขอกับศิขยาบทในไม่ขข้อหาจะยังมีอยู่ก็จะนั้นอาเจยถึงท้เดืข้าพเจ้าขอเสนอเป็นนักตินับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปศิขยาบทข้อใดึิษาสนาทรงบัญญัตแล้วเพื่อเราจะไม่ถ่ายถอนกัน อันใดที่เขาอไม่ด้บัญญัตเราจะไม่ถือเพื่อเต็มบัญญัติที่มาหรือเป็นดัตติถ้าสงเห็นด้วยก็จะนีถ้าไม่เห็นด้วยก็จะข้าท่านจะเหนี้ออกเป็นกัติเอนหนี้ตเป็นปฏิวัติมวาจาก่าวๆประกาศไปท่ามกลางสงสามครั้งปรากฏว่าในที oh. ่พระจึง so oh. ีเ oh. งียการคีเยบของงนั้นแสดงว่าเห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยต่องฆ่าเพราะฉะนั้นการลัศมีกว่าไม่เลยหรืออะไรนะครับ แม้แต <Workers>, ่พระบรมศาสดาเองเมื be, ่อมีผู้ใดมานลอนให้ไปขบฉัน so, ก right so, so, ็อหรืออาการดิบจะดยเนี่ย็นการบอกรับอีเลยอาการดิบในการบอกกลับการเห็นฟองด้วยทำไมเห็นฟองด้วยก็ต้องาก็ตเลว่าที่เป็นจุ่้าร้อยห้าร้อยนั้นเห็นเป็นเถิดก็ฉันว่าต่อไปนี้จะต้องรักษาสิขาบดีนการยดโดยมีการถ่ายถอนไม่อ้างอต่อไปพิธาไม่ยากถ่ายอนแล้ว่าอกัละเป็นมาติณที่จะคุยข้านเลย ต่เพราะว่าเขาเต็เต็ม อ, อื่นที่ได้ขัาไปเต็มด้วยท่านก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำหรือข้อตกลงไม่ทำประตารละปุหะหรอกท่านบอกว่าการตกลงนั้นในการตกลงเฉพาะพวอทื่เขามากะตุกท so ี่พระอันนุยที่พระอุบาลีึ่งเป็นพระพระาหากาวตริย์พระใหญ่ในฉพาะเขาราวไปอืนที่ยังไม่มีเอกาพาตะกึงหรือติัติการตะกุงเขาไปต็มเมือยเขาทมงทานานั่นนะ อันอายาเลยขอบงรงคับว่าผูที่มีคุณสมบัติ ท, ที่จะเข้าไปถนั้นเจะต้อ ง, อองเป็นพระอรอหันต์แเคสเป็นพระอรหันตแ่ดแล้วองรอจะต้องเป็นเกับริเด้วยสาะวินญาและปฏิสัมขิธาเสถึงจะเข้าไปถึงได้ถ้าอรหันคคตุกรรมตกคือไม่ตสาินยาหรือปฏิสังขิธาถ้ามีคุณสมบัติเข้าไปป็นได้ไหมเพราะฉะนั้นหาพิจารณาโดยตามสถาสถานะตามนั้นแล้วก็จะเห็นได้ว่า อาพระสงฆ์ที่ขับไเกลนมปัตตนนาปหานั่เป็นเตียนน้อยพระสงฆ์ที่ไม่ได้ขับไปเกลนข้ามปัตตบนปหานั่นเป็นตือนใหญ่และบรรดาเส่วนใหญ่นี่แหละข้ามข้ามัหาเกษตรป่บอกว่าขันหากษตรป่านั่งยทำั้งั้งข้อตกออ ก, อกันเลยน่อาบรรดาที่อนนู่นอกข้านั่นน่ะไม่ได้เดืไม่ได้รับรู้ด้วยเกเจ้าหน่มันนี้ถ้าจะนั้นบรรดาขันเหล่านี้เขาจะประพฤติตามยาพอใจขท่านขาอย่สรานาคเป็นอย่างสุานเนี่ย เขาเกิดกรนผมอะคนาแล้วท่านพราะท่านก็พาลูกติมาารลูกมาจากตำบลพัฒนาทีรนตบนมาพัินาีิวัดเวนารามขมาจะตเลาังบอพวกผมทาน้คราเสร็จแล้วนะครับอท่านก็ตอบว่าก็ดแล้วครับท่านทำได้ก็ทำทติติผมก็เห็นว่าเป็นูได้รับฟังอ่าจากก็เอีงนัได้เองก็เองเหมือนกันผมจะก็คิดตามที่ผมตอนน้ ท kind of yeah, okay, ี่เรียกว่าแยกตวคณะนี่คืองว่าฉันเการแตกแยกเป็นลัที่ ah ีตายเพราะว่าข้าใหญ่ในข้างนั้นส่วนมากังเป็นทหารท่างเก็งนบริษัทบริการอยแล้วก็บริษัทบริวารจะเป็นตัวคนระโตก็อย่างวั้มันมีกามเกินอกเกินใจก็เยรใหญ่ที่ท่านเป็นาหารอยู่พอเมื่อในสมัยร้อยปีหลังจากที่ิราแล้วการนณะสงฆ์ไแพออกไปจ้างขวางออกไปไม่ใช่เจริญเฉพาะในแวดล้อมของเรือในการ ด้าต่างๆในเรื่อนใบหน้าเป็นคาต่เหื่อหน้าถึงถูกธรรมดาเมื่อในการถ่ายแตแยกออกไปเฉยๆความคิดความอ่านของบุคคลในข้อความประพฤติก็ดีในโฆษณาเรื่องกาีความพฤติการติดก็ดีก็ยอดแตกต่างออกไปด้วยพ็จะมีตัวตนหนึ่งที่เรียกเรียกตนเองว่าเป็นฝ่ายเข้านาเป็นฝ่ายเตือนยงเรียกฝ่ายพระมาแต่จบว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมคืเป็นที่คอนเทนต์ดีเป็นขัาเคลื่อนอนเทนต์ดีที่เป็งน โผล่ไ้าหน้าไ่อเรืองนีหรือว่าการโื้ขารถยอดส้าหมดไปเพราะการซื้ขายรถอดส้าหมดนั้ไม่ได้ทตามคําหาืใจหากข้ออ้างเาไไว้แล้วบางทีผู้คท่านเ่าต้องการทำตามที่ทำไม่ยาขอนี้หละมาพิจารณาดูซิว่าสิข้าหมดข้อน้อยที่เดส้าหมดแ่อนาแ่งลเขาจะมาเมอเพราะว่าไม่ได้ัการอทไม่ไดแล้วนี่าเหล่านี้แได้แต่พิสูจก์ข้อพิ ซึ่งเป็นเหที่เกิดการทําุทยากตนขายมาถ้าเราดูพติกรรมรู้ขั้นวัตถุบิดหาว่าอ่านตำรราของท่านลังกาสั่งเาบรรดา่าอาจารย์ทางลังกาก่าน่อเข้าพูดจัดเขียนตำราเ่ไหนตอกธนาเพราะวัตถุบิกตาคู่เท้าพิษไกหมาั้งละอะไรขี้บั้งละความคิดไม่ได้าทิีพิถันอะไรยหรอกท่านเป็นเืแต่ว่าเป็นโู้ติพื่หนึ่งที่เม่รับรองวัตถผสมต้นข่ายมาเท่านั้นแหละท่านลังกา เป็นฝฟที่นักลงมาติดเขกรททั remember, ้งสังขาาให้ถงอมืถือทุกคนใต้ถึงไปโคลเลยเดีว่านี่เป็นตาแบนี้โคนี่เป็นทารกตีนอ่านี่เป็นคนเลี้ยถนีคนาวฮะไม่เป็นไรใต้ถึงตาทลอรดนี่มันเป็นตาแีโค่โอะไรทั้งนั้นข้างว่าท่านทตามทุกทางเลยไปามคนที่ท่านรบนก็เสหน้าเสยการผลัดันนี่แหละอ่าเสียการเล่นผลัดฉันเสียกับการาการเปี่ยนตำ่ง บางอย่างบางสถานไม่ได้ยข้อผิดลรลาดหรือเสียหายมากมาย็นกระทั่งผิดธรรมนัสารุ่ยอะไรมากมายนะครับอาจจะพิจารณาไปแล้วติดการนะที่มันดับขึ้นึ่งว่าพวกเรายงไม่ทันัวเย็นเลยเนี่ยอาจจะบอกอวา่ามันทันตวเย็นนีแต่ห้ามห้ามเห็นมกไม่ดแต่ว่าเป็นสินค้าหมดลกน้อยหรือเปล่าอาจจะมาไปแล้วก็จัดในสินค้ า, าบทดเกน้อยแ่มีปัญหาว่าเพื่อเราดีแหละเป็นฝ่ายหนังลักกถ้าเป็นฝ่ายเสรีวาดีคมีการเสรีวารแล้ว เราถึงว่ามีกายในระหว่านี้เป็นกายที่ละลองเจตสิของธรรมะตะปะพวกเราตสาตะโนรสมะเมองมาจากธรรมะตะปะเราจะต้องหยัดรักษาพระวินัยแม่ขอ่ขอยยืมหยิ่มข่อยเข่อยน้อยให้มันเป็นแต่ถ้าเราอยากจะเห็นว่าการาารักษาในยืมหยิ่มันลาบากเราก็กาเป็นมาวาไม่เป็นกายอย่างต่างหก เพะนั้ในข้อนี้เราก็ต้องไปเจอนาคทีมันจะ ว, ว่า <S <S เออเราปเป็นรซลาวาัแล้วว่าี้อ่าว่าเขาเปนู้ทไ่ยากว่า้นงเรามาแกี่าตละขันนี้เร า, าเป็นเซลาวาตัตแล้วล้วก็ออกไปบูดในีการมาหาญาณนึ่อ่าเขาเป็นฝ่ายที่ต้องตามรถหย่อนเข้าอีนึ่ตอนนี้ขามาเลียกันเราถึงมีฝ่ า, น า, นทา ย, าา ย, ายาที่เของป็นนาจะไปบนาเหอแบพวกไม่ใชที่ถดทีคนก็ไม่เขาทาตามที่ทำ่างกันอ่าในข้อน้อยาจะบรรนาไปแล้ เป็นข้าวเย็นี่ข้าวทิ้งเปนี่ชนม่ไดเป็นเดชีมีคนีทธิเตวะพัดเะลีรกระบากามเสดจ้านาขนาน่ว่าพพุมุาพิได้ไวหการเปตระนานั้นอ <laughs> uh, ่าคราวนี to to so that, ้วัดงเมืองขันวัดทีอยู่ทางตะวันออกขอดดึกพลันกำลันงขาเพราะฉะนั้นาจะดูตามตูมิระเทในขั้นนั้นก็มองเห็นได้ว่าทิศทางตะวันตกเป็นฝ่ายที่รักษามขันหาตะ ซึ่งมีพวกวัชพีเป็นใหญ่เป็นฝาที่ต้องการลบหย่อนที่าหบดแบ่งเป็นตามกลุ่ประเทศตามเป็นสองาคภาคตะวันตกทำไมที่บอกว่ารักษาข้อหันหันของขั้นชนะกับกต่วัเพราะว่าพระฤาษีประเสริฐเออพระสัมฤทธิ์ฐานนาวาสเออเรวตาเออพวกราวนี้นะรวมแต่ขนมหาเทรานี้รวมแต่เป็นสัตท่วิหารอันเทวติของพระอนุเรเจา สองพระอุบาเหกเถ้าอย่างข้าเลวตาซึ่งเป็นพระใหญ่ที่มีมากในข้างนั้นท่าเป็นลูกศิษย์พระอานน์อายุท่านก็มากแล้วห่งร้อกว่าแล้วก็พรสามตสามนาวีซึ่งเป็นประาในที่ประเก็นพตยาสังขายนในฐานีท่านมีวิาดุขาสูงสุดเวลานั้นท่านมีตั้งร้อิเป็นลูกศิษย์พระอานเลยเราจะเห็นได้ว่าบรดาพระผใหญ่ทีอายในัายนานั้นเ เป e? ็นปฏิหาอังเตวาสิของขเถยะเจ้าของขาบารีเระเจ้าก็ข้านีเถระเจ้ากับขอุบาหีณเระเจ้านั่นน่ะท่านนรมาฏิการด้วยในการประพฤทสมุสัขยนาท่านรับรู้พรของสมุสังขันก็เป็นธรรมดาอยเองอันเทวาสิปฏิหารสอง่านคือลูกสิดย์ายของทัจะต้องรักษาประเพณีของเถวาอาจารย์เอาไว้มันั้งเด็กยอดที่าดกจะต้องยึดหลักธารข้อนี้เอาไว้ไม่กล้าที่จะไปถ่ายถอนท่าน ตอนนี้ีเด็่ะพวกวัดทีเด็ดก็ไม่เพื่อภาพตะวันออกพากวัดทีทานพวกนี้มันจะรับผู้กระทำในผสมสัศวรนาแล้วข่านหลังนี้ก็ไม่ได้เป็นสจตีหาที่อันเตวารติของบรรพเถระที่มีส่วนในคำผสมอัศวามาทําก็ทาทำตามความเห็นของพวกน่ะแบ่งเป็นสองขัวขึ้นมาเวลาน้าหนักมีการวิ่งเป็นอาเบิกเันนะคือว่าพระเวดเดินทางมาภาคสิบเมษายนแล้วก็พวกวัดทีเด็นล่ะถึงวันอุเบกวันพร ก็เอาขามาต้านเาที่หน้าธมะเวลาเียอะไาบ้านเอาเงินมาติดกันเขือกันพวกเราแล้วติกลจะได้มาแบ่งแบ่งกระเพาในวัดนี้โปิีการเลีอ้ไปควนี่แบบนี้สมมติ่าตะกันตะกาใน้าาินดีในเงินทองทาไมคนกีในมือในในในมือตาลินบรรดาพิวดุเ่ากาะดาษบรรดาชาวโยคายกาที่เข้าวัดแอ่ว่าเอาเงินบริจาคติดกันเ่กันพวกเราไม่ควรท้ายนี้ก็พี่แก้มบอกไปโควนนะที่แก้มคุยกับ อันนี้ผิดคุณจะไปเจงงนมีงยืเอะไรบางอย่างห้ามไยาไรยังไงนะบอกให้ชาบ้านฟังชาวบ้านลูกข่าวเขาบอกวข้าไม่ติดติดเงินขึ้นเสี้ยนติดกระเปาเข้ากระเป๋าเี้ยเออทำที่สุขวิทยุขาตั้งว่าไว้น่าหน้าทาไมวันนี้แปลกตดตั้เข้ากระเป๋หมดเลยอะไรขันข่าวบ้าขามยบอกเขาเอาต่ทําี่เขาตั้งมาให้โอวาศักดิ้วันนี้คิดคิดวินหยเอาข้าหมดข้อหนึ่งทีเดียวอ่าว่าห้ามไม่เดี้งาห้ไยินดีต่างๆเนี่ย ท่นว่าทีบิดไม่พอใจพยศว่าึงมาตัดลาวพวกเรานะมันตัดลาว่พวกเราที่คนจะได้ท่าวัตีบิดก็ตัดใงแต่งเสือที่เขาจะต่เอาไปสาพยศเจะบอกผมรัไม่ได้หรอกผมรับ่างผมคิเองินใเงินทองนี่ผมเ็ตังเ็บในเจ็บองไม่ได้หรอกไม่เอาหมัดรับไม่ได้ว่านีวท่างวาจะทรับมันไม่รับแน่นะท่านไม่รับท่านในกรรมิดพวกเราจะลงอกเขนกร่านยังไม่พอท่านไปยกเงินอุาอุบากาจะกำบุญทานท่านในเอาไ้เงินายทอง ดีก็แยดีอันพักที่ดึกก็ตะกลึกันเลยมาติดแต่ว่าเล้วเอกเข๋ปัญญธรรมขยกจัดแจงยศถูกเป็นล่อติดขยอติดล่ออะ่รตามเรื่องจะบอกศออกหนีตะกรลัทธาแต่ถ้าว่าคันตามเหุการอ์ขอมยขยศเนี่ยเฮ้ยพูดเฮ้คนีจะตีโหดมากเลยไร้คันก็หาทางลออหนีไปซะก่อนเลยเป็นตนานขดหัออกหนีเอาความวาล่อหนีออกไปล่อหนีไปถ้ามหรือไม่ตายจะหนีเปล่าคันก็เดินทางไปหน้าไปสู้อาเมือง่าย่านคร เมืองก่าละคจงเน้าเตีางข้มนติของขามละคดแบบนะ้เตีีที่เาไปเนี่ยต้องการไปหาพกพวที่นนัยาวะทีหรืว่าทงคำวนพันลันกาความจริงตอนนาต้องเตรไปวนยวาทีไม่เนะูนะลัง้ก า, าแล้วคำลวนลังกาก็บอกว่าพว ก, กวทเวทีุตรนะเปนอวนยาทีพวกเขาจะไปวินันนยยาวาทีหว่าทางคำวนพันนลักาเสียนลังกาเก า, เาเป็นายระมหาจตุรีแหละคือคือพวกเราเะันลักาเาที่าเราเลยะีเหามาไหาพ ไปาไป้ามาได้มันเแล้วได้จากสารานครบ้างได้จากอเทตันข้มบันบ้างนัดได้จากนัดกันนัดกันบอกว่าจะต้องไปหาทนเรวะตะทันเรวะตะนั่นนาเพื่อะไลก็ไมีนั่นแต่ว่าเวลานั้นกว่ีดึกก็เดกทุกต่ถ้าเราไม่เต็พวกเราเราเอานะตะเข้าหเท่ากเขาจะเอาทันเรวะตะเข้าหัวอยากกันันเลยเรางเ็มทีเราน่ไปเเทัเตให้เข้าหัวก็เต็นที่สุ ไม่ถึอเท่น่ะมาฆ่าตยศมาที่ก่อนขยศัดที่กลางผลก็คืวัชิบุตจะทำกรรมนี้อย่งนี้เมสาเป็นบัญญัิุกรกรรมนั้อย่างนั้นจะว่าอนลูกยาให้กระสือยินดีเงินทองเจ็บเงิเจ็ทองนได้อนลูกยาให้ให้ให้กระสือไม่ไ้อ่าอนเขาเงินได้เลิกทิแล้วกบทิ้งด้ไหวน่อาเพรานั้นอ่ะมีข้อผิดนั้นนั้นพระเรืตาเป็นลูกศิษย์อานะจาต้องเป็นธรรมดาดีเองที่ท่านต้องเข้าขยศเนี่ยคราวนี้วัสิบุมาฆามาไม่ทน ก็ได้ใจตรงเพือตัวเข้าหาลูกศิษย์ุ้นศิษขอระเรอาชื่อพระอุตระะเปลูกศิษย์ุ้นติเของพเลยตาคอยนู้าทีอาจารย์อ่อ่าจะเปสิงเลตาเขาไปามนะฮะบอกว่าบอกว่าพอุตระเี่ยยังไงก็อ่าเราเรื่องพมาให้เข้าวเราจะอยาก็ห้พรอุตมาไปเข้าหัวยุเลยไหวไหมพระอุตระก็รักอาพระว่าอยู่ที่เดียวคืนวันนั้นเข้าอาจารย์ก็บอกอาจารย์ครับอ่าเรื่องา ที่งแตน่การแต่ก็มาคืกันไอ้เรื่องมันเดวเป็นประการอ้อาจารย์อเป็นประการดบ้างครับอเรื่อะนีแต่เราเอออระาายไปรับอะไรมาจากพกว่าิดเด็ัไมมาถเอออนี่ไมล่ะอาอสรบอกว่าผมยังงยังก็เห็นว่ากิดก็เห็นลนะครับพเรื่อระดับน่ตนวันนี้เป็นตปเจ้าไปมาเือกข้าแล้วเอาปม็นิบาดข้าบนี้เป็นปเขาจะมาบ้นอิบาข้าแล้ว้าพูดอาจารย์าพูดอย่างนี้แล้วก็เลิันไม่จะมาพ้นว่า ไล่ต้องตราออกไปเรีแล้วก็ทีแรกเกลงกันว่าจะทำการเป็นกลมตัดสินอาทรรเรื่องที่เน้นการฆ่าิณฑกรแต่ว่าเขาเรียกต่างออกไปจึงเปิดเเจนที่หนังต้องไปแล้วนกติดกอนท่มก็เลยยกเครงนนาทีโดยเวตาลีใาคที่ได้ทำขึ้นเปนยอังายนาทีวาลุการามีหารในเวตาลีและงที่ทําคุเป็นยอดั้งายนาตัดสินว่าไอข้อนี้ผิดอยู่บรดาโกที่ถูกวิจิตร มีดิ น, นลูกนะมากนะยกเครืไปตั้งกองทัพไหนาอีกอนนงมีข่งกัน2กองเรียกว่ามาหาสังคีติกาตป็การทำทัพไาของศูนกลุ่มใหญ่ตั้งดลูกมาหาสังคีิกาตั้งแต่นั้นต้นต้นมาคณะอของกบดนเป็นสองกายยั็ได้ทั้งเดือนมีกาปปรฝ่ายพรยเรียกว่าเฉรวาทีโดยถือว่าปฏิตามยกิของดเสนรใัติทัพไห า, าแล้วก็พิสุ่ารบุตร ทีไปตั้งกองตั้งคณาตั้งเงินลูกนั่นแหะเรียกว่ามหา้องคิกาวะมหาสังกาวะเต็มกลุ่มใหญ่เต็มหมู่ใหญ่ตกลงว่ามหาสังกาวะนั่นแหะใครจะหมายถึงวัตถุบตเป็นาะกระดาแต่หากหมายถึงบรรดาพิสุคือมีความคิดเนอิสระไม่ยอมรับรู้กับทัศนของธณะกัจจปปะพวกทั้งหมดมจฉาเน้อตั้งเป็นเงินลึมและตั้งในั้นเต็มเต็มมาจากกายใหญ่ของสคีกาวนี้ก็แฉตุนแฉสาแฉสาขาออกมา ข้อกษตัตทามรมแล้มนีนึกาักาณาพิจาด้วยกันพิจาณาเดยกันดังปรากฏในอัจฉริคือเรื่อว่าปรมัตารย์ทป็นอิทธิอัจฉริยะันจากปกรณ์อัจฉามมีข้อความอยู่อยู่ดังนี้ใปันปันกษวัานีสคัญมากนะ ค, ะครับตรวัตานี่ถ้าหว่าเราจะศึกษาความข้อ ส่วนใหต่างๆมันจะเป็นได้เลยเดียวท่านเริ่มมันท่านอ้างเลยีโบในคําคือสีโบว่าข้กก า, ศ า, ศาพิมิงค์นิจการธิตาพาปิคุเอรสัชิปุตตกาอัญญ์สักอั้งลพิจวานะอธมวะสีสนาแต่ความว่าแต่เอาใจความใจความบอกว่าทิพบรรดาพิจุไตบาทจะนวนมหาศานาปิคคือคือพิอิัิเดชไปหาอันมาตอบด้วยอันญาคือความไม่รู้ เป็นหลักธรรมวาิด้เกิดขึ้นแล้วด้จจักรท้าะมาธิตะวะอาจารยสุธมสรงตาข้างปัจจามาธรรมสร้างทีติมาสร้าทีติมีติุฒติที่สุเหล่านี้มันจะนวยถึงหลูกด้าักจะาเหมือนลูกนะไปคุ้มกันสมาธิตะวะมีการประุมกันอัจสุธรมสร้างต้างได้ร้อยกรงพระธมาัขึ้นใหม่นะ เพราะเหตุนั้นแหละาสายังรมตั้งสิิพระเหตุนั้นแหละการทำตั้งคํามตั้งสิทธิ์นี้แหละงเรียกว่ามหาตั้งสิทธิมหาตั้งสิวติวุติิเรียกว่าการกระทำร้อยตรองของโฉมหน่มหาตั้งสิิการพิฆีโรมังอัจังสุธาเสนทึ้งดิสตวาโมตั้งขันหัอัยังอจังสุทัยขันันแปลว่าบรรดาพิฆู์เรามหาสายสิิกาเหล่านี้แหละ เป็นผู้ที่ทำลายาศาสนาทำลายมูละสังขายนาคือผมม่สังขายนามูระสังขายในบาลีหมายความว่าผมม่สังขานาเป็นผู้ที่ทำลายแต่ผมไม่มสังขานาคือลายยสดตเของบรรดาอรหันต์้าในถ้ำปัตมันเร่งเอาไปที่ตัวเรานี่เลยรุ่งร่างยอติอนั้นเสียอันดัะสร้างะิ่งสิดตังอันัระอาจจะริมสุดเออัทังทามันจะพินดินสุตินาเยนกายตุจัตุส คือว่าบรรดาที่ติหล่านี่ยะได้ร้อยกรองพระสุใหม่ร้อยกรองพระสีนใหม่ร้อยกรองพระสุทเสียมร้อยกรองพระสนเตรียมึ้นแล้วต่อต่ปฏิเสธอ่ะบรรดาที่เป็นพระสุทพรุดั้งเดิมพระีนายดั้งเดิมของเก่าอาจาราอย่างนี้ปริยายะเบริตังจากที่ผ้นิปริยายะเบริตังนิจัดทังเจวัเลยจะทั้อาาร์นิสตวาน่ะพิถีแปลความว่าทิดานี่ยนะไม่รู้อะ ที่สมควรจะรู้คือม่รู้ธรรอันผิดเาจะาแสดงว่าเป็นปริยายจะแล้วต่มาด้กาหนดรู้ธรรมในส่วนที่เขาอแสดงว่าโดยนิปริยายจะอะรนัปริยายจะอะไรันปริยายนีเนนเนเน่เป็นเรืงที่เกิดขึ้นต้องตัดลกทางตขนาคําคว่าปริยาจะทำกับนิปริยายจะทนั้นหมายความว่าอย่างี้ปริยายจะหมายความว่าอำนาที่กระดงแล้วยังไม่หมดความหมาโดยสิ้นเชิงยังต้อ ง, งตีความ เราต้องตีควาไม่ใช่เป็นธรรมะที่ท่องท้าโดยมักตกชื่อว่าปริยยาเลยค่ะยกตวอย่างกตัวอย่างเช่นว่าพุทธภาษิตที่กล่าวว่าอัตตาสิอัตโนนาโถตนละตนเป็นที่พึ่งของตนพุทธภาษิตข้อนี้เป็นปริยยาเลยค่ะทำไมตีความก็เพราะว่าโดยความจริงแล้วตนีอัตตาไม่ีแต่โดยสมมติจักจัก็ต้องแสดงว่ามีตนเปนต้น่เป็นที่พึ่งของตนเอง เราจะบอกว่เต็มเินริยมเตจริงยมเอัตราไม่ใชัรานาไม่เลยแต่ว่าทำไที่าารยสอนอัตราทีอัตโนนาติเรานั่นก็เพราะว่าสอนโดยอันเรืตามสไม่ติดจักราโลกทังอัตตากัรและเมื่อเรายังติดโลข้วเองก็ต้องอาศัยตนเป็นติเขือนเพื่อทำเป็นติสุดของพุคือความไม่เหตุตนอาศไยตนยีงขึ้นเพื่อความไม่มีตนเลยที่สุดเพราะฉะนั้นพุทธพาไปข้อนี้ก็จดเป็นปริยายอย่างนั้นคือว่ายังมีอัตตา ที่จะต้องอธิบายยังมีอภิฐานโดยส่วนเหลือที่จะต้องชี้แจงกันแต่ว่านักธรรมะบางหลานักธรรมะบางทางตัง้งทั้งคตารม า, าแล้วมันจะบว่าดนี้นะุตกาม า, าแล้วมงมาเลือกจะตั้งพวกเราในเมืองไทยเดีนีแหละไปตีกล า, า, างให้เขาพาติดข้อเ่อ นสองตนคืออตนเก๊ที่ขึ้นไปดาวตนหนึงอ้ตนซิ่ที่ขึ้นดาวตนหนึ่งก็หารว่ามันเป็นตนซี่ที่ขึ้นดาแล้วขณะนี่เขาเอ็มเจิ่งมาตรัสว่าตนของตนเป็นที่ขึ้นทุกตนล่ะนั่นแสดว่ามีตนเก๊ตนหนึงตนซินหนึ่งนะติกาอย่างนี้นี่ก็เข้าในในข้อถือว่าไม่รู้อะไรเป็นปริยายจะทำไม่รู้อะไรเป็นนิจปริยายจรทำนะว่าอย่างนี้ทามาตการกัน้ะนะมันจะเฉาอยู่นี่แล้วก็นิจปริยาทำนะหมายถึงอะไรนิจปริยายแปลว่ามันมีกวนเหนือ ไม่ ม, มีอัศว์เสือหันไว้โบจบติ้งเธอเลยเช่นว่า เ, าาา เ, านนาเป็การแสดงว่าอัศเสือธรรมะอนุตตาอย่างนี้เป็นนิยอย่าทำอัศอไม่ดุเอย่างนี้เป็นริสัยอย่ามำแท้การทีโต๊ะรสดงอะไรปฏิเสธอย่างนี้เป็นนิริยอย่าทแท้เพราะฉะนั้นขาถาในทิ่จังในทีบริวารจ่ซึ่งในคาถาแห่งคาถาวัาุเอามาอ้างได้ว่าบรรดาพิเศษฝ่ายมหารสังคีิการ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นปริยากรรที่เซ็นดไว้อะไรเป็นนิสปริยากรรมที่เซ te ็นแสดงไว้เอามารับอุปนเปนไปหมดเอานิสปริยาญเป็นปริยาญเอาปริยาญเปปริยาญในการติมะสิกิกะธานี้่านนั้นพยังคณะทาญาเยเตทีู่่พาหุอัางวีนาไปยืนขัดเตวานะเอดเบตั้งจุดตั้งวายาคำทีรัง พ, พิจารู่ตังสุตังวินัยยังตังอันยั ง, ก, งกริมติเตแปลความว่าบรรญาทิดจำนวนมากเหล่านี้นะไม่รู้อะไรวะ อ, อันนี้สแสดไม่รู้ในธรรมะอันนี้ที่สแสดงโดยวางเป็นพยนัญชนะพยัญชนะเอาเาเป็นอัตถะเอาเรป็นพยนัญชนะพยัญชนะถูกก็ท่านเอาอัตถ ะ, ะเ ป, เ ป, เป็เป็นพยนัญชนะเอาพยัญชนะเป็นนอัตถะเป็นการทำลายอัตถะเป็นพยัญชนะ สี world, ja. ่ก okay. so so ็เองแสดงมาด้วยดีให้เจ้ามองขึ้นเแล้วก็ใจใจถ้าตกเตียมวินายเตียมป็นจนวนมากบรพิการอัอชุการังอภิธรรมมันขัดปกานนังนบติทักพิดันจะวิ่เดินทางเอกัเดินสางัาตักันประกำว่าอภิษฎเราเนี่ยได้ปฏิเสธคำพิปริยานคำพิปริยานปฏิสอภิธรรมเศรษกรไมรับไมรับเราอภิธรรมเศษกรนี่นะ เ็ทรับรับรองที่สุดเรานี้ทำบุตกรนในสายการเจรจน้มีผิวาปมกระาอ่าทาตั้งแตนียมโกประทบะุกระอหเนี่ยยมเนี่ยุตกรเที่สุมหาสิงีกาได้นลกิเกว่าฉันไม่รับรู้ทำใหุตกรทำให้เินี้ารไงว้ที่ไหนอาารย์แต่งกันเองว่างนั้นแล้วจปฏิเสธคํารีวายริวายรวาเนี่ยเกินคำ เขคืออธิบายเท่าไรยังไ่จบเป็นผู้ดูการศึกษาตัดอภิกรและตำแหน่งนายเพราได้กิดคิจารณานด้วยในครั้งประชุมอภิษานมาคำาอภิธรรมไม่ปรากฏมาปรากฏในสมัยที่อภิษฐานมาคำาอภิธรรมเกร้องจับคำาอภิธรรมสิดดเกิดเพื่อนะฮทังชิ่งกาที่ถูกก็ว่าที่จะอภิธรรมสิโดดทีอภิกรเลยบอกว่าทำไมล่ะท่านแต่งนี้ที่ทองิธรรมหกหกเป็นเนี่ยมันด้ การพระยศประเสริฐวตถุอาพระสัมง์ตาสานนาวาสีอะไรแต่ข <these> ึ้นเององคปกอรณ่งน so, ี้แต่เมื่อํำพิธีสงาอยู่นึ่งแหละเพราะฉะนั้นบรรดาท่ามหาสังค3ตกาไม่รับรู้หกหกเลขโลกจัดไม่รับรู้อธิธรรมกับปัญญาแล้วยังไม่รับรู้เป็นศรีธรามตาเดเอกตเป็นบางส่วนคำพิีประจิตกม่ธรมะคำพิีประจิก็ม่ธรมะเล่เพราะว่าตานมติดอลังกาเขาถือว่าเป็นคาติคของสษาุ ถ้าดาเจ้าแต่ว่าท่านมหาศาลที่จะบไม่ใช่อ่ะไม่จะาล้ไปดูดหรอก้าเกิดาบดาจารย์ในภูมิภาทั้งหลายานั่นแหละแตกตื่นพรานั้นฉนไม่รับเองนึ่งอันนี้วะแล้วก็เอตเดวท่านจะทาตะกันทาดุกบางบางส่วนบางเอกเสื่อไม่จะทั้งหมดท่านก็ไม่รับเรื่องนั้นรับเรื่เป็นบางส่วนไม่รับเรื่เป็นบางส่วนเลเป็ิเศษอย่นี้ครับเป็นพิเศษความเป็นภายนกาเสนาว่า้อ เอกกาวิพากษิตวนะอัญญนงอัจริณุเตนามัริมคางสลิกทารังอัตตะศกอริยานิกาพระตะพิฆาญังวม่ใช่วิตวนาตัณจะอัญญังอัจจริณุเตปัญดาวิสุขเหล่านี้คือสายวิชีบุตรหรือมหาสังคีติกาที่ขุขเหานี้แหละไม่รู้อะไรว่าอะไรเป็นนามอะไรเป็นครื่อหมายเครื่องค้าอะไรเป็นปริฐานไม่เข้าใจมนุยทำยุ่งหมดอะไรทุกอะไร อรเอิอการไม่ถึงควรเขาไม่เข้าใจเขาทาให้เกิดการเกิดเป็นยันใหญ่ไม่รู้ว่าไปอะไต่ออะไรเอาใหญเอาติตัดก็ตัดเอาเสริมก็เสิเเตเข้ามาอาติดนี้ก็เพอมมาเอาต้อกม่ีกัดอน้ออกไปเป็นอย่างนี้อาบุกทังขมามวารามาหาตั้งทีติกากาไปตั้งจากอนุกาเลยนะทิลวารบอหูาหูเนว่าเลิกันตออกมาวาร มีมหาสังขีิกาวาา่าตอกออกเปก็ะผมขึ้นมาก่อนแล้วต่อมาภายหลังวาทะที่แตกต่างกันมากไม่เกิดตามกันมาเดียตะโกอัปริ ก, กาลังหิตตะตุงเฮโดอัจจายาจตาต่อมาภายหลังที่เกิดตามมาหลังจากเกตมหาสังขิกาว่าแล้วก็มีวาทาจึงรวยมากติตามกันม า, นานวาทะเราไม่คืออะไรอ่ะคือโคปุริตาเอโยฮารีาพิชิตขาพิโคโุริตาลังเวเระกา อราาลำิายาคือว่าเตวกายเตวุณุึ้มาจับมิกายเอกับเหายสองมือกายนะเกิดขึ้นมาแล้วจากมือกายนะา้องิกมาหาตางทิศกัดนีแหละวออกมาอีกสองมืกายเรียกว่านือกายโคบุญมือกายหนึ่งเรียกว่ามือกายเอกับเยหายีกมือกายหงเกิดขึ้แล้วตามมาเออทิศกัจากังยักษ์ติดดังทาพิทพิธาพโกต่อมาก็เกิด จังใจเอรคูนจังใจเักเอหาเียให้เกิดเป็นกาสหทิปิกาและในกายบัญญัติปิกขึ้นมาที่กายเจติยาจักวนาวาสีมหาสั้นิทเทฎาแล้วก็มีในกายเจติาว่าเกิดตามกันขึ้นมาทั้งหมดนี้ลปัญจวารีเมตาิมหาสั้นิทธิเมตาอัคคัญธมันจะพินดึงสุขเอตเดชจะตั้งกัน ขันทัจะเอจะเดตัน hey, ดิเตะวันจันอจังสิเตนามลิงคังปริฆารันอันตะกระเีลิจัปกติอาวัะาันจากอัดังอังิเตต่อวางด้วยว่ามิกายมาสังทิปิมุทัิิยะเป็นมูกายใ จากนี Vietnamese ้ก็ไดเกิดออกมาห้ามกายออกเป็นหาสาระคือมกายโตปุติจาว่านิกายเอ็กตกับเอกกับโยหากับว่ามิกายพระวิจิตกว่านิกายมัญญาจิวาและนีกายเจติจาว่าอ่ามีกายนี้เกิดจากิิกายมหาสังคิิจิตกวาอันเป็นมูลมิกายใหญ่ทั้งหมดนี้รวมเป็นหกเดียวักายมหาสังคิเป็นหนะหกมิกายนี้ไม่เข้าใจอันใดเป็นธรรมอันใดเป็นอาธรรมได้เกิดทำลายรื่องนามเรืองเพศรือปริขัน แต่คำพิใหม่เกิดขึ้นวิถีพัฒเศชาวามิบุกบุณะเทโดอาภายาภาเ้วมีการศกาหนาต้องศึกามีห้าเรื่องตัวเลขที่หกมีการเคหวล่มีการศึกษามันนี่หลังจากมีการมาหนเข้าแตเป็นหกแล้วมีการเคลอนไหวแตกเหมือนกันคือแต่ออกมายังไงล่ะแตกออกมามาศีสาตะตาวัตีปุตการดวิชาพิทพพิโก ทัหมดนิกายเห็นว่าแบ่งออกเป็นสองสาขาสองนิกายเลยนิกายหนึ่งดีกว่านิกายมาศิษยาตะกัดว่านิกายที่สองดีกว่านิกายก็ขีปุตตะกว่าสองนิกายนะต้องจดจำไว้ด้วยว่าขีปุตตะกัดว่าดำหิตจะตกเทโลอัตยาขาต่อมานิกายว่าขีปุตตะว่านั่นแหละเดตาออมาอีกีิกายแบ่ไว่เดวนิกายจากนิกายก็ีนิกายว่าีุตจากกเห็น้ว่าแล้วต่อมานิกายวีปุตนั้นตกอมา สี่การนะสียการนี่คืออะไรบ้างคือทำมุตตริกาพัตรยานิกาทำนาคาริกาจากสมิตรไม่ไม่ถือราชกาณังโดยเทาอัตราการลำดิทายาตัสพัะทิศวาดาทำมาคุตตาเดินทางพิพิตกับพิโหน่อาแสตรามะนี่ไว่าขีบทต่ออกาออกมาส4่ิการคือนี่ารทำมุตตริกาหนึ่ง นิกายพัตรยาษหนึ่งนิกายสนาคาฤกษ์หนึ่งและนิกายสุติศึกหนึงเป็นนแล้วนิกายมตมานิกายุตติาัาิกาสนาคาาตะพมินิกายนะคาดเกาังโดยเดาอราาวิาะตสิามคุตตาวาพิิโต่อมานิกายนักเาตจั นิจกายเทโลวาได้ออเป็นสองเคยัดที่บุตรกำเิ้ายกรากแล้วจากวัี่บุตแต่ออกเป็นสจากพระบิากระตากแต่ออเป็นสอแต่อเป็นสีคืออะไรกับพักสาดาธรมคุตตรมคุตตาได้ทางพิิติกขโวคือนิกายตััพสิกตะว่ากับนิจกายธรรมคุตตะว่าออกเป2นิกายม้าตาซ้ายกรตาแยกออกมาอกอกนุกิกายสองกายนะกับพักสิบารดาเกิดตติการสร้าการเกิดกัตติเจนะจ๊ะ การจกานงปตตวารีอลกุเอนสิกตมาตมานิ so ัยสคพิกะวาตออกมาแตออกมาเป็นกายกัติกว่าหนึ่งนิัยสังนิจกรรจิตกว่าหนึ่งนิจัยปุตตะวาทีหนึ่งจิกสามนิยเป็นธกัลปเมริกาเดวาราจัมินาเทเดวาราตูอัตตั้งมันจากินบิงตูเอตเดสัตสัตสัตสัตสัตสัตสัตสัตสัตสัตสัตาัตสัตสัตส การนะเป็นิตกาแตกออกมานในคั้งนั้นออกลุกกันออกมานกายเหล่านี้ลุกข้ากับิการมามาวังกา่ากออกมาเป็นเด็กิกานั้นเด็กทั้งหมดก็ได้อะไรล่ะเป็นจิกนิก า, ารด้ยเพรนี่เลยเดียวนะวัดเทวัดอาะสะเต็มินวาเบนเตปหิโคเทวัดมาอุโ เทวานานมุตเตโลอานุนังอนัติกันจะตเทวันทีลัพาะนังตันตะาวิยาุคัมมิวิชิตตาวะเดตาวัตเรวัสเตนากติลุติเยวัตสันเตเรขินนาตตะคราวาดาตงปันนาตีลัพะเนติเมี่อเป็นอาจารย์เทวดาสห้คิกันเองท่านบอกว่าอ่าิจ่าที่แต่งมาทั้งหมดเนี่ยาก็เปรียบแล้วนิจาฝ่ายเทวาคือฝ่ายที่ถนัักะปาเงที่ตีมาสมัสารนานั้ มันก็ไม่ต้นไฟใหญ่เน่าคโละาโไฟตัมหทยขงตกาใหญ่ตอย่างนั้นแล้วก็บันดาขาขาอนุกาที่แหลังน่ะเป็นไฟหเมือนาตาคนบ้ามกาตาที่เกิดจะเปนไนมาตากจะเปนไอ่นี่แหละบัดาตา้าคือกายอท่ตาตาของาเหล่านีเกิดจะเปนไใหญ่ได้ทลายอ่าทแต่องมชิน้า ให้เศร้าหมองไปทั้งหมดทำให้เศ้าหมองไปเเพราะฉะนั้นวาระที่เหลือท <me> ี <me> ่แตมาก็รวมทั more, <me> ้งกับนิตายดังเดิมเสร็แล้วเป็น18ษยาภาลยาภานี้มาทเมวัฏฏสตนัิในรอยสีแรกหลังจากการทำผสมมาัตารนานถามหาเลนี่พวกัววัฏฏปตันตะเร็วคืนจะเดตอนนี้แหละไอตระ่สองเลยละพวกตัวเมย์วัฏฏสตังตะเร็วคืนจะเกิดขึ้นในสมัยุระที่สองนี่แหะ ไปเกิดแตกแค่เป็นสาขานิกายออกมานี่ออกมารวมทั้งหมดพินนาจัตตะระายาดาอุปปันนาชินาสาเสนิตนี่แหละเป็นการเกิดแผ่งว า, าทคือ่แตกตาองออไปจัตตะระฆาจุดเจแต่ออกมาคิดทังินนการใน ว, วัวเป็นจุดแตกเนติบา่ตายเนี่แล้วแต่ต่อมาในตอนท้ายข อ, รอรงระวติอปราประังนะเห็นมาวันการาชกิริกา สิทธิการอุปเทเรียอุปเทเรียว่าชีวิตอันยุติคาอาจริยว่าด้อันอุปนันเพื่อทีะชะสิเดีาวมริมาขานำเสนออันอารตันนั้อาจริว่าดังว่าชี้ิปสาทสัมภาษณ์คืออุปเทเรียคำาจแล้วนะ ต่อมาภายหลังในมิริจมีกายยอยๆแต่ตามมาอีกมีกายยอยๆหลัน no ี้ค <mon trans ito> ืออะไรบ้างคือีกห็นมรรคกายมีกายรักิตใจกายมีกายิตักษิการมีกจิตัติหนึ่งมีกาอัระเตณญาตนมีกาวัตราวิจญาณหนึเกิดขึ้นมาด้วยกิจใจอันเียวถ้อาจารย์ญาติวาอุปนันปารย์ญาตเกิดขึ้นกกาิกา็กขึ้นมา พราะะนั้นใคจะว่าแล้วเป็นแปลกในกายเมตของนกายรือิ่ากนการิงทตาสนาที่เกิดขึ้นในครั้ง น, นั้นเพราะคำนั้นเรื่องคำคกิก็ะอ่กับเดเป็นเุอได้เป็นคำพีของในกไยเทรวะวัตคือต้องการแต่เพื่อจขาดกล้างมะติของในกาที่แตต่างทั้งหมดเป็นการยืนหยัดมติอนันบริสุทธิ์ในกายเรวะวัตจาเป็นต้องมีขึ้นในครั้งนั้นแต่ว่ามันจะเป็นมีในครั้งที่ทะสังของอรานานรเจะมีนรั้งทียะสังารนานนี่แหละ ใช้เวลาหนักหนักจนตังค์มึงเองต้องตั้งวิ่ิ่งั่วกายมากมายตังค์มใจจันทร์ตังแปลงคำคือตังค์มึงเขาจเด็ตัวเองตังคภาษาของตัวเองขึ้นสูงสังคือติดจายตัวอย่างจช่นวันนี้ใารเขาว่าคือภาษาบาลีดเป็นภาษาดิใส่กระดูกไปก่ กองพิสตางวิกายต่างมีภาษาต้นถึงข้วสาหรับจุดจานพิสพตนะแล้วก็อาจารย์แต่ละิการเหล่านี้ตามตีความอธิบายพิสพตาติตามทศนาของเขาทศนะเหล่านี้เกิดการขัดแย้งันขึ้นเนี่ยทนาวการางต่างมีอภิความมีวนมีก็สูตเขาตัวเองไม่ตั้งแบกไข่ตงคนต่างนี้ตางคนต่างนี้การภาษาพิสพตานะเนี่ยยังในาษาาในเราเนี่ยาาพก็จะเดียวการเระวาทรกาเดียว ของกายต่างๆั้งยี่สิบาฬิกาไปรีการศึกษากันเลยมีเยอะอยะที่เราจะไปศึกษาเนี่ยมแเพราะฉะนั้นการเรียนรู้กาสนาเนี่ยมันจะเป็นของ่ายนะารเรียนู้จะเป็นนักดาบจะไม่เป no. ็นของาาเรียนูก้ิดเราตรง้อาปฏิบัติเป็นเต็มเป็นใหญ่าเรียนลูกเป็นนักปีตหรือว่าเรียนรู้ัจะเป็นนักษาบแล้วก็จะเป็นของ่ายข่าวเ่าวมจรเรียนู้เป็นนักดาบกาเรียนลูกจะให้สิกก็อเจบเอาจริงก็เจบนะแต่ถ้าเรียนรู้เป็นนักดานักปีแล้วก็ ใเยอข้อนี้ก็นหน้า่อนใจคือว่าศาสน า, านตาน่างไม่มรรมมาาาได้เนี่ยไม่มีศใดใดเลยติดประอักนคำูประกอบต่างๆันมามายเข้าที่ติศาสนานาแสดงว่าชาวพุทตั้งต่ราามแล้วน่ะล้วนต่เป็นันะไม่จะดตราอไอกมาได้หรอกตำราอะรที่นี่ล้วนแต่เป็นคำิษพละที่ยาวนา น, นทีจะอธิบายใจทะกออกมาต่างๆแดนนั่นแหละใการศรรึกษาลั เกิดขึ้นอาจาาากับงจังีย่เลยดอาาแล้วตาาก็ไม่ก้สับนนดีสมัดีสัโนนหน่ดีาทขาาท่าดอ่อิธดีเขาโดหดีอ่าโดเป็นอภิธรรมห่ดีเดีสันเยไงเกิดสัน่นสัโน่นยไอนยกีดร แกเป็นการใหญ่เดียมีมาแล h, ้วมันจะเป็น um น er ิ้นหยจะเํ็ดอนอกมีมาแล้วตั้งแต่ข้งพระพเจ้ามีทาแล้วใหม่ๆมีแล้ข้างทีนการอก็จะมีมัจะเป็นน้แต่พะพุทธเจ้าปราบได่หมดเด็กอย่างว่เทวทัศเป็นต้นรก็มันจะแตกข้อมันจะตัเตยเป็นเตยสิอาจารย์มาเลยว่าเทวทัศนะแล้วก็แต่เมื่อพพุทธเจ้ายังอูพุทธเจ้าก็เป็นพวกตัดสินปราบได้หมดแต่เมื่อพระุทธเจ้ามีทานแล้วเขาจะปราบละตางคนตางหรือว่าอนหนึ่งอันนึ่ง มีโมาที่ค <de> <de> <de> ือม <de> ีขโมยมาเป็นศาสสราครานีเมื่อเอาขมยาเป็นศาสตาแล้วการตีความขมยในนี่มันไม่ถึกงกันหนั่นก็เกิดแตกกันหเรานต้ไม้มาเร่เดียวกันเนีแต่ว่าเมื่อไปตาแล้วทำาให้นตีความต้หม้ข้อนี้ไปอย่างหนึ่งทำไมจำลตความต้ไม้ข้อนี้ไปอย่างหนึ่งมันก็ม้เเดียวกันข้อเดียวกันแต่ตีความต่างกันนไอ้เรื่องู้กก็เกิดจากการตีความขมยใน จึนได้เกิด ม, มีการหันมากเกิดขึ้นคาวนี้พอมาถึงสมัยพศอ300อเด็กในสมัยพระจเจ้าเต็กมหาลักษเวลานั้นเนี่ยพระเพน่เด็กเกิดเป็นมีการมากมากกางกล่าวมาแล้วตั้งแต่ข้ั้งทุ่ยาสัา ง, าางาาาขายานาเป็นตนมาอาพระโมคครลบุกรเประเทวราเจ้าที่ใจทำคือกระถาวัตรถิเป็นพระเทราชที่ใหญ่ในกาลเทวท่านก็ต้องความจเป็นมีอยู่ที่ท่านต้องใต่คืกระถาวัตินี้ เพื่อเป็นการแดงวาทศัพท์ของนิกายเถรวาทว่าเถรวาทนะ่ะมีขัสนะต่อธรรมะต่อวินยัยเป็นอย่างนี้ถ้าเป็ น, นข้ามจากนี้ไปเถรวาทเป็นมติของนิกายเองขั้นเองเพราะฉนั้นถาวัตถ เ, เป็นคำพูดที่ชุนงมติต่างๆของบรรดาในเก า, าต่างๆตั้งยึดติดกวานิกายในขั้นนโดยตัง้งเป็นรูปของสัตวามีประวาติสัดซัดไปโดยถ่ายพัฒนาการกระถาวัตถนี้นะ ถ้าไปเด็กสบันสยามรับทิงเลื่ออสี่ก้าอ่าก็ข้าคิดเป็นหน้าสถาบันทิ้หหน้ากระดาษเนขนาดนี้เล่นขนาดนี้นนน6 6หหน้ากระดาษก็จะขนาดเล่นนี้แหละนะ่น่นอัราอ่ากหาหหน้ากระดาษแล้วก็แบ่งออกเป็นห้าพันหน้าห้าพันหน้ามีหวมัวข้อคือมีสถานที่ต้องปุดทา้ายันาักไซกันในข้อริธชอบอยู่ยอสอ้อกว่าหอเยกัน สองบ่อพคือเราจะต้องอธิบายแต่ละผวพอแต่ละว่าพ่อคื่าจ็บทำสิเรื่นี้ดิงจ็บตากต่ขาเลยไมบอกวิจัยขาว่าถือได้นะในวันนี้มันมีางจะเอาข้ประเด็นได้รอวันนี้เป็พแต่กราวาัเองกราวภาพและนำความเป็นมาของตะกอนแล้วก็แนะนำวิจารหน้าตาองค์สำคัฐานะอุปกอนอปกะกอเรื่องนี้อยามีฐานะสำคัญอย่างไรครานี้ประวัติของทนเจี๊าโมคะนิติกาลเป็นใครคําโมคะบิติานั้น ท่านเกิดในวันนักพรามในแสงเงาตาตีดเพื่นมาคดในแผ่นดินก็ะเจาอติมาลาอ่าแต่โดนท่านก็ถือศาสนาพราหมณ์แหละและ้วก็ไ ป, ปนในเวลายเพศมาจากปากยาจบกไายเพศมาเวลานั้นจบมาจากไะเยี่ยมเยี่ยมบ้านท่านมีอายุ16ยังหนึ่งทีเดียวจบไก่เพแล้วพร้อะเวลยางาแต่พรมเรก็อินาจากทงาทงตศาลเกบาดคือศาสตร์ต่างที่คนรู้คควรจะรู้ในขั้นนั้นเรียนรู้จนจบหม เดินทากลับมาเรื่อยมามาถึงได้อ้าวพบะเทเรนทุกศาต่างกรู้สพบเข้าท่าเข้ารูอ้าวพระเทเรนทุกศานาเลยนะ่ะก็เคยท่านอ่าที่สำคัญเคยท่านจันวัสดีรูปหนึ่งกับท่านปฏิการิกรูปนี่งยม่ด้วยกันมาพทบทาพ่ทนธธ า, านเขาบรรดาพรเทเรนทุกศาสนาเนี่ยถามว่าเออาน้อยานีอะไรมาเพราะว่าเราตกปลายเทศมาอ้าวงนั้นเรามา คุมามาักไซอดไซเพศกันก็ตักไซจะขอดไซเพกก็พอร็จว่าพระเทพราพุทธศาสนานั่นสามารถทจะเตะจอดชี้แจข้อใส่เพกของเขาได้คราวนี้พอมาประเด็นข้อคามในพุทธศาสนาเข้าเดยจะพาะยังนี้ข้อความในคำวิญญาณมท่านยกข้อความในคำวิญญาณมุขขึ้นมา โมครินติาตาทาอบได้เรีเ ย, ยเลยเดียวเอ๊ะเาไม่เคยไปเรียนานเราไม่เคยเรียนเลยเออ่าจ้เราจะขอเรียนไ้ไมท่ า, านก็บอกว่าได้การเรียนคำพินัยกรรมศาสนานั้นหมายจะต้องบวช น, นะจะไจะให้ตับพริโภษการคองที่การครหัเตี้ยจได้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนได้เต็มจบก็ไ ด, เดวเมครินบุาติตาาก็ยินดีขอบวชเบื่อไปมาเก่อนเบื่อไปสัมมาเรนี่แหละท่านติดตา ม, าตามาตาอาจารย์เรียนกระั่งในบรรลุเตาปฏิทินนะครับกยังเป็นเร ต่อมามื่อยุคเขากกะตป้นหมดสแล้วไต่ไปเรียนสำนักท่จันทรเประชีตระเจ้าเรียนในสำนักนั้นแล้วก็ทอยู่นี้แหละที่ได้นำคณะเสร็งงานเก่าเท้ามาทำตักยาสังขารมาในสมัยพระเจ้าเต๋พระเจาเต๋ถ้าว่้ามาตามมันเต๋อพลังตาเฉียนในคำพิมหาเวงที่เป็นเงเวงดาขาเวงตะตะวงคำพิเหล่านี้เนี่ยุบอกว่าหนาเจ้เตอเนี่ยสุดยอดคนตอตกใจว่ วันในครั้งนั้นน่ะละกตาร่าเกขึ้นเลยแล้วกุกจนนบรรดาเมืองีมีคนทั้งหลายที่ขอมาต่างกันเลยตาท่างปลอเหยื่อไปคตปาสนากระทั่งกระเถ็งไม่สามารถจะเลอโบกัตพะกรรมที่เจ้เมืองอตตาราบารุตาราสุปุตารามบรรอารามต่างๆทุกังทกันในวัยมรณในเมืวนทีเลย่ะถ้าเถไม่เป็นอันที่จะเลทัากัรรมเพราะอะไรเพราะลายเถงจิเป็นธรมวาทีนายวาที เกือบ50เกือเกว่า100ขึ้นไปหมดถึง 10,000 เนี่ยทานนันก็เิียงหมาหมาดึงขึ้นตัวถือตัวดงดาบหมาดลงมาโีนหมาคำิธต่างๆที่ว่ามาจะอะไรมาหรือเ็นไหไนี้แต่เพราว่าข้อทุิงเน่ปิักษ์กัิลารตเ้าเลยนี่แสดงว่าเราถ้าจะศึกษาเรงตำนานแล้วต้องต้องิจัยให้ใรถูกิเกื่อตกันานน่นไม่ในศิลายาตพระเจ้าตูดที่ข่การลักล้างอะไรทั้งหมดกล่าวว่า พจะเจ้าเตยกนั่นแม้จะเป็นพุทธมารการแตาก็เตอุตถรธรรมบรรดารามเรียกยืนในโคตอาชีวกปฏิภาณทุกสร้างวัดสร้างวาใหตข้าพุทธเราเนี่ยไม่มีกันอิชายิสยาสคนต่างศาสนาศาสนาที่เป็นขอ็คนอิชาวิสยาสเป็นศาสนาอื่นพระเจ้าเตกท่านก็ดาเนินตามจารึเของขาพิทธี่เดรให้เจ้าอุตตราระให้คนต่างศาสนาเพราฉะนั้นเรที่บอกว่าเดินที้มีคนจู้โข่มาต้องจำมบวดจริงจริง เว่าเด็กฝกประกาศเดกนที่มีคนเอายามเอายาลิขานพวกเอายาจวกพเอาุ่งะเอายาดดเออยาดื่มเออาดานักบวชต่างวัตถต่างศาสนานอกจากพุทธศาสนาก็รับความอุปถัมภ์ำคูเหมือนกันนะอาจารย์อาจปรย์เมืองขงหาทีว่าเดียกัตอนบวชร้หมื่นอบขั้นบ้านเมืองก็เป็นชาวพุทธจะไม่รู้เชื่อหรือจะหาใครจำกับไม่ได้เชื่อหรือาไม่อใคนจาหหมื่นตาบวได้ยังไง อันนี้หนาไม่ได้เันไปไม่ได้คนจะกลอมหวดตั ienne, ้งถึม่คนไปเดียวไม่รู้เนยี่หรอเงินให้มาดวัดะามารืออกหมื่นนะมันเป็นไปไม่ได้เลยนี้เออกลอมรู้สึต่อคนก็ไม่เท่ากันเอาไปถงหกหมืคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขาจะว่าอย่างนั้ น, นดงนั้นละหกหมคนนี่เป็นใครวะไม่ใช่ใครหรอกที่เป่างรการนั่นเองไม่ใช่ใครแต่ว่าพลังการอะท่านท่านท่านพีกายจับพี่กาจับเกินไปทำมานจะโคตรท่านก็บอกว่ามา ทีกท่นก็บอกว่าเดือถ่นี้คนท่าเลยใส่โค้ง็ข้าไดห้บ่ะงเรือถิ่นนิคโอนหกหนึ่งตัที่ดจตัดด้วยการนี่แล้วครับที่ตัจนานนานที่ว่ามานี่และรวมหมดเป็นเจ็ดหกหนึ่งลูกด้วยกันครั้งนั้นคราวนี้เมื่อทำปฏิยาสงครามนานแล้วเขาจะเอาโดดนั้นตามข้อความในสิริราชรือตามวัติุศาบอกว่า โอปการะแต่พิสุนานานใจจะเมอาหมดมันจะว่าอปการะนใจจะเป็นพิเศษแล้วก็คนที่ใจเดือไป่ายมันจะมีสาของชาวุทธอย่าว่าใจจะมีใจเดืนพิสี่ใจยกรรในพิสกนาเลยแม้แต่พิศาักนะก็เลยไม่ได้หยุเดือเลยเอรามนหยดเทำนี่ใจที่ชาพุทธกันเพราะฉะนั้นต้ไม่ได้ก็ต้อนการว่าผู้แต่งมหาเวรผู่ดาผาบที่วรผตัวนี่ท่านแ่งท่านเองส่ท่านเองเี้ยงที่หเองันเ เขาอ่ะทางนีการกำจัดที่สุดคืออ่าเลี้ยวถึงโคนหรว่อจ้าเสกก็ตัดให้ทำแล้วก็เลื้ยแแต่ที่สุดไปทีรา่อาแพ้ๆทำปฏิกิรยาหลังไายเลนะคือทายท้าจการนำของพระโมคคริบุตรติดเสถีรเจ้านี่ว่าตามมาติดของพนัการกี่น้อยนะแต่เขอก็่ิงเป็นอางั้นหรอกจารย์ของพระเจ้าเสกะครัเป็นขราอาจารย์สานอาจารย์อยู่องคือขนอุปคุตขุปคุตที่เราจะใช้อุปคุตที่เบอกว่าม็น้องเท จะกสรวมน้ำม่ทะเลนี่แหละคุปติแหละข้าวคุปตนั้นให้ใจเป็นเกรได้มีกายเถรวาแต่เป็นขณาจารไดนมีกายปัจฉิตกว่าแล้วก็เป็นผู้ที่อาเป็นเจ้านำพระเจ้าเศกเขียมชาสังเวชนียสถามแล้วก็อธิบายความเป็นมาของสังเวชนียสถานใหพะเจ้าเศฟังเป็นคุปติแหละนี่เพราะฉนั้นเราก็เชื่อในรางนั้ไม่ได้ทีงเชื่อข้อเท็จริงก็มีว่าพระเจ้าเศกนั้นคปธรรมทุกมกาย แล้วองจะเป็นทาวพุธก็ไม่ได้สังกัดสี่กายในกายหนึ่งเป็นอาวุธของพ ร, ระพิาไม่ใชเป็นอาวพุทธสังกัดสกายในเรื่อว่าทาวพุทธสังกัดสกายมาหาสังกัดไม่ได้เป็นเป็นเป็นเป็นธาตของพระนักกายโดยรวมไ ม, ม่มีในกาย อาพุทธาขันก็มีนิกายถ้าจะมีนการเรืองถาเปนชาวนอมีิกายอาจารย์เหตุเี่ยอาบัรดาลิการจะมีแต่ของสงฆเองทีแยกกันเหอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นแหละนอกจากนั้นแล้วยังเป็นอุปธมแล้แต่ศาสนาอีกด้วยมันจะเบียดเบี้ยนเป็นข้อเท็จริครวนี้ทำไมพระโรคคายาบุตรติสคาถาพระที่เตที่ต้องใส่ก็เป็นการจาเป็นเพราะอาจารย์แต่ละนิกาต่างกันแต่คพืนกลางใหญ่แต่อธิบายและบานคำพินก็อักลางเสาวัตรหรเาวัไม่ถูก การณีความธรรมะข้อนั้น่ ก, กรตีมรมะข้อนี้ไม่ถูกต้องท่า น, นก็ไปจังกราวาผิดขึ้นเพื่อเป็นการจับความใจซัก้องจานเกตต้องในขอน้ขอรัที่ทำานาในกาประการหนึ่งเพื่อเปการเปรเทียบหักาบาั บ, บาปปว่าตังกายอีกปรกนงคีกว่าผิดจึงได้มีกำเนิดเกิดขึ้น ในบรรลโลกของพุทธศาสนาในสมัยพุทธศตวราษที่สามพระดิพ like ัทตาอุเตที yeah, mm. ่ประกานี้แต่หลังจากทาปฏิยาพันธายามาแล้วเวลาที่ทำปฏิยาพังธายนานั้นมปีที่สิบปของพระจาสมัยพระจิพาอุเตเวลานั้นพระเจ้าโบกรีบิตรติดตัวพระเจ้ามีพรรษฎิการเจ็ษาแล้วเพราระฉันั้นท่านงะขาวทธเมื่ออายเก่เมื่ออายุดสิสปีแล้วต่ทำคลี่ตขาวสุิกอนและเนื่องจากความสำคัญของะาวสุทธมากพระอาจารย์อ่า จึงได้จัดอันดับเป็ประกรหอภิธรรมประการรวมเป็น7ประกรเรือกว่าระดับประกรไรือับประการนั่นเองอ่าพระาถารนวันีก็ขอเจ็บตรงนี้เวลาพอดกค่อนขอไปก็พอ้าวเรงีนี่พยายาตกราหนีะคาถทายเลยนะครับดูและนี่มะเลยผืไหทำไงในเก็ไหมเลยนี้ทำเลไม่เลทาิหยยังไม่มีค่าอะไรเลย มันมีอะไรเลยที่ศูนแต่ว่าศูนในภาษาธรรมะน่ะมาดูซูนอย่างไรตรนี้ศูนในภาษาธรรมะน่ะหมายความว่าไม่มีสภาวะยืนรอดจนอยู่ได้ด้วยตัวมันเองเท่านี้เองหมายความว่าอย่างนี้พระเจ้าธรรมุชานังตรมังซูนอย่างนั้หมายความว่าไม่มีพานอย่มีอัตตามันยะง่ายอัตตาไม่ีพานมันจะหาไม่ได้ไม่ใช่ตัวนี้พานพอยอย่างนี้ควหมายนี้พานนางตรมังซูนอย่างเดียวเท่านี้ครับ ประมุขขัเนี่ยเป็นเพียงสมุทรบัญญัติคือว่าตามรู้สึกขงาวโล ก, กั่วไปน่ะต้องการรักสุขเกิดเนีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมลิขิตา น, น่ะก็ต้องอานโลมตามโลกะวหาริเนกสดงออัตตาเนี่ยกจะบัญญัติโลกจมีรุ่โ ก, กะเวหานโลกเนี่ยต้องบัญญัติตามรจึงได้กล่าวว่าลิพานางประมุ ข, ขังว่าลิา น, น่ะเป็นยอดสุดนะชาวโลกฟังแล้วก็ได้เป็นเป็นิตหมายนี่ศานาเกิดสันทในลิพาน ยที่เราปาสาน่ะมันคอไหางที่นี่แหละเมักขมม่อปัน่ถึงอดถูกไหการปีนพันธุ์พมันเลยนาจอมทักว่กมันก็นีแต่วันนี้ตามงเป็นสายไทแล้วเขาเจ้าของก็หนับสนิ่งนี่ครับคืว่าวิษพานังเป็นานังสุดขังเนี่ยหมายความว่าเมื่อไม่มีชีวิตแล้วเราจะไปเอาความสุทธไไหนมาไม่เรื่องอะไรจะไปรับเวทนาจะรับก็มีกันแล้วดังนั้น จึงถือว่าเป็นบรมติขมีานงเยอะแต่บรมสุขแข็งถือว่าสเขาสุขไมได้ไงครับความสิขจะต้องตั้งอยู่ในกวามแน่นอนต้องเตียมปั้นปยังนี้ไปันี้เอาสุขมาให้นีต้องดูอะไรยากจะแสดงออกมานั้นน่ะหมยความถึงอย่างไรแค่ไหนอ่าไมยความนี้ครับถ้าบรมทาที่มีปาปิหาอย่งมีได้สองายยะนายยะหนึ่งสาเร็จจากการอภิษฐายของพระบุญเจอง ศิษเ้าของประตูได้อธิษฐานไว้ประธานหนึง่งสำเร็จจากการอธิษฐานของสุติใดองค์ธรรวชาติมาทองเนี่ยต้องสองอายะสองอาายะเดีกัานายอย่างลรางรียได้พระธาตุมารององหนึ่ ง, งแล้วเราก็มันทําการดินมันอธิษฐ า, ากนกว่าทำไมถึจะเห็นปฏิหารท่านท่านถ้าหาว่าบารมีเราถึงพรพระาตกมีปฏิหารกอับมาเห็นเ ก, กิเกิดจากเราทียังมังเกิดจากตัวพระธาตเองเกิดจากมวิญญาณพระธาน ได้อธิษฐานอะไรใมีตาไปษน้องลเอียดยสัตวเดี๋ยอก็มสนใจนับสนุนม่นสนับสนุนเลยตาจบข้อที่ออธิษฐาเกิยขึ้นได้สองกัศมระการที่หนึ่งยขึ้นได้จากอ่าจากผู้ที่ผู้ชื่จอธิฐานเอาไว้แสดงอำนาจเอาไว้อีกอ <us drafting> ั้นึ่งลขึ้นได้จากผู Na ้ผู้มาเข้าครอบครองสำหรับในเรื่องนี้ก็หมายถึงว่า ผูทท้ที่สิ้นชีวิตลงอย่างพระสมานพิธีจาาได้แสดงอำ น, นาจในความปรารถนาไว้ว่าถึงวันไหนวันไหนให้อำนาจเนีเ่ยกเกิดขึ้นอำนาจมีกระดงได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆท่านทัหลายก็จะเห็นในพระสุรุ่ยังกระพระองค์หนึ่งก่อนจะสิ้ชีวิตได้อธิษฐานไว้ว่าขอให้เผาในอากาศนะครับสิ่งชีวิตแล้วเผาที่หลังนะไม่ใช่ว่าไป็เผาในขนาดที่กาลังใต้ที่อธิษฐานให้ใจรี้อเผาไหม้ตัว ถ้เผาอกาลิละเนี่ยในอากาศเพราะฉะนั้นพล่งวิญเนี่ยอัมนาจะมีหนึ่งอัมนาของพระอรหันต์อัมนาขพิยาจิเนี่ยก็สามารถสร้างไปเผาไหมในอากาศได้เพราะฉะนั้นพระสหายกระทาของพระมณพุาเหมือนกันได้กาหนดท่านกำหนดเอาไว้ว่าจะแสดงอะไรแล้วเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นอํานาที่ก็แสดงเดวออกมาเร่องเร่อที่ผู้ครอบครองมาอร่อานาทำหนึ่ง ก็เปเรื่องน่ายเลยไหมครับม่จังางทีไม่งเติมบางทีก็ต้องหลายพระองค์นะบางทีก็ม่เชอว่เกิดจากองค์พระอง์มรรมาธาในองค์พระบพมเป็นปาฏิหาริย์ออกมานะครับบางทีเป็มเรื่องพวกเทวดาที่มีมาเหวี่จากถึงสูงลงมาไหตอนนี้พวกเทวดาลงมาวนะสงเอภัสตากุลว่างหมดนี่ก็เห็นแตแหม่รอบองทารองนีสว่างยามหมดถ้าจรเทวดาลงมาไหวเนี่ยประการเห็นไหมครับ อิรสราอเอลเอรโมราณท่ทาสมเองนี่ถือเป็นพะดาเลยเมืเ่อพญยายมราชจะพญยายมราชมือยังเป็นพญายศขุมอยู่สมัยรัชกาลที่หาเสด็ออกไปรับพาะโบรมณ่าที่เราขุดบ้านในประเทศในปานเรนประเทศในปานต่ออินเดียในเขตอำพภอพัติในมณฑลอิตรประเทศต่อแดนในปาน ขุดพระธาตได้บรรจุอยู่ในโขมีรอยจารึกอักษ ร, ร ม, มาทศกิจสมัยพระเจ้าอโยว่าเป็นมีพทธรีระซึ่งพวกปยายาวุลบรรจุเอาไว้เยิสเตอร์เตอร์จ้าของที่ทําป่าไปคบเข่าแล้วก็เลยให้หมองเห็นรัฐบาลไปไปอินเดียเวลาเวลานั้นวอยจรอรยอินเดียก็มีนางสืคุณเจ้ามาว่าจะถวายรัฐการกออกาากทารารหาให้ทางรัฐบาลส่งผู้ไปรัก็รัการยายที่ห้าที่เรื่งสุา เป็นราชทูออกไปรับพระ บ, บรมธาตุระหว่างที่กลับมาประเทศไปในบรมธาตุมาในเรือกุญแจนั้นพญาสุขุมไม่ใชเชื่อรองพรเป็นธาตุ์พระเห็นเป็นกระดูกคนคือเ่อตตานานาพระาตอย่างทางลงางตาถี้ก็ต้องแม้ไม่ต่างต่างถือไม่ทอาผักไม่ได้ทำผักการก็มีอัวเรื่องก็มีเป็นตนานแหละทุกนายเป็นตานานไม่ใช่ธาตุัเลยและแต่ว่าพระภาตที่สุดพบมนอินเียรู้นี่นะ่ะเป็นกะดคนดีนี่เองแหละเป็นันกระดูกคน ม, ม, มันเงิป็นเล็ดเป็นเดนอยู่มทั yes, ้งภักตเองนกกบฏและนักก่าฟ um um> ้าเหนีัพญาศุขผมก็ไม่ใส่เสื้อมักใจายราในห้องโอ้ยเาามมือเาก็ดูใครก็ไม่รู้่าคุนชาตั้งันติอยู่ในถ้วดีทองตั้งไว้อยู่บนโต๊ะผ้ชายให้งรอทั้งแต่เองคันแบนั้นไม่นเวลาบลบาทคันใดนั้นองค์ระมาติแดเป็นถั่วลังสีเท่งมาสว่างเป็นทองแลเวลานั้นอ่าสมุของพญาศุขเองอ่ะเป็นเป็นขุนคุนอะไรก็ไม่รู้เขรียื่ไปแล้วอ่ ขึ้นมาเรียกพยาสุขินไปลงลงไปใต้ใต้ตอนน้องเรือเรื่องอะไรเรืย่ยนึ่งโดยประตูตจกจะไม่หลับไฟไหมไม่อลับไไม่ให้นนเรื อ, อไอ้ข้ามาตออกมาพยาสุขินนั่งตะลเป็นได้กได้ความต็มเต็มนี่มงที่พระาตให้แต่ท่านขุนดิษฐ์พ้ามาดูที่แค่นี้ทัสคนก็ต่างคนต่างดูพระธาตุปาณหานโดยมคำวันสีหกแสงเพ่มเงินจากองคติดีพองะวางยาเต็มห้องไปหมดนี่ อยูบนบรมธาตุเวลานี้มันอยู่ที่วัดสเกตนะองค์บรมรัตนสก์เป็นพระธาแทนที่จะเจายังนี้เรียกวารรมา